มันใครที่มาปฏิบัติทําตามเนี่ยทาตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดที่ตรัสรู้นี่แหละมันถูกต้องมันเยี่ยมยอดเนี่ยน ะ, ะสูตรนี้ก็เหมือนกับธรรมจักกับประวัตินาสูตรเนี่ยนะที่ พ, พิสดารกว่าธรรมจักกับประวัตินาสูตรนิดหน่อยแค่นั้นเองอใ น, น, นธรรมจักกับปวัตินาสูตรก็ปฏิเสธไปเฉยๆว่าอัตากิรัมฐานุโยคเนี่ยนะที่ไม่ที่ไม่ได้เป็นไปสําหรับเป็นของพระอริยธรรมตนให้ลําบากอ่ะพวกอัตากิรัมฐานุโยกก็ไม่ได้เป็นเพราะปฏิบัติเพื่อความ ปราศรมันเหนื่อยเปล่าเนฟรีว่างั้นเถอะไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้สาระอะไรเลยฟาวหมดเลยว่างั้นเถอะไม่มีประโยชน์เลยไม่เหมือนอริยมรตมีองค์แปดที่พระองค์ปราศรูปนะเพราะฉะนั้นให้ถืออริยมรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเพราะอริยมรตอันประกอบไปด้วยองค์8นี่แหละเป็นปัญญาที่ประเสริฐนําออกจากทุกขเป็นทางที่สิ้นไปแห่งวัตทุกขสําหรับผู้ที่ปฏิบัติตามอริยมรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดสัมมาทิฏฐิรู้อะไร เอาไหมนะถ้าจะสัมมาทิฏฐิรู้อริยสัจสี่สัมมาสังกัปปะคือกุศลสังกัปปะสามสัมมาวาจาเว้นจากวจีทุจริตสี่สัมมากามันตาเว้นจากกายทูตเจริตสามสัมมาชิวเว้นจากกายทูตเจริศสามวจีทุจริตสี่สัมมาวายามะสัมมปทานสี่สัมมาสติในสติปฐานสี่สัมมาสมาธิในฌานสี่ถ้าองค์แปดนี้ประชมรวมกัน ทำกิจกำหนดรู้ทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญระดับโสดาสกท า, าคามียนาคามีและอรหัตตะมรกนั่นแหละจึงจะนำออกจากทุกเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานอันนี้เพราะฉะนั้นปฏิเสธลัทธิอิริยาบถปฏิเสธลัทธิเครื่องนุ่ ง, งมปฏิเสธลัทธิเรื่องอยู่ที่งีบเงียบปฏิเสธลัทธิกินอาหารทุกชนิดว่างั้นเถอะไม่ใช่ <biases. S 2> ที่บรรลุจริงนั้นบรรลุด้วยอริยมรรคเนี่ยนะบรรลุด้วยอาิยมรรคนี้อีกขึ้นข้อใหม่ปฏิเสธพวกรัฐถือรัฐที่บริสุทธิ์ด้วยอาหารขออภัยด้วยสังสาราวัตรก่อนหน้านี้บริสุทธิ์ด้วยองค์เขาถือบริสุทธิ์ด้วยอะไรนะหนึ่งสี่อย่างนะหนึ่งด้วยพรหมหนึ่งด้วยตะบะสองเส้าหมองสามเกลียดบาปสี่วิเวกใช่ไ right? ม นั่นแหละลับที่เหล่านั้นพระองค์ก็ถือว่าเอามาเช็คล้างเลยบอกว่าดีลิสลบทิ้งเลยไม่มีประโยชน์ไม่ถูกต้องผิดเนี่ยนะนี้เอาพวกถือความบริสุทธิ์ด้วยการเวียนวไายตายเกิดละ่ะในข้อหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดหน้าหกสิบดูก่อนสารีบุตรมีสมณพราหม์พวกหนึ่งมีวาทะคือลับที่ทิฏฐิอย่างนี้ว่าความหมดจดย่อมมีได้ด้วยสังสารวัท่องเที่ยวเวียนตายเวียนเกิดไปเถอะเวียนตายเวียนเกิดเดี๋ยวก็บรรลุเอง เข้ามาเนี่ยได้ยินพระรูปหนึ่งท่านสอนอย่างนี้แหละไปถึงอุย้ยพานมันฑิต จ, จะดีจะชั่วจะโง่จะฉลาจะโง่จะเคลาจะปัญญาอ่อนชาวบ้านชาวเมืองชาวไหนในที่สุดมันมันลูกเหมือนกันหมดขวางกันนะเวียนว่ายตายเกิดเดี๋ยวมันก็บรรลุเองแหละว่ากันเถอพระหลวงพ่อองค์นี้ท่านจะไม่ทําอะไรเลยรดน้ำมนต์อย่างเดียวตอนนี้ท่านตายไปแล้วนะตายตายเปล่าแล้วตายไปแล้วตายไปหลายปีแล้วด้วยนะมันหาพยานหลักฐานไม่ได้นะท่านตายไปแล้ว แต่ท่านพูดอย่างนั้นจริงๆไม่มุสาหรอกบรรทันท่านถือว่าความบริสุทธิ์ด้วยสังสารวัฏเวียนตายเวียนเกิดในที่สุดบรรลุหมดมันจะโง่จะเร็วจะฉลาดจะดีจะชั่วในที่สุดบรรลุเหมือนกันหมดอะนะละทัทธิแบบนี้ก็มีหรืออะไรแนะพวกที่บรรลุเหมือนอะไรเหมือนกับเคยเห็นแบบได้ที่อะไรเนะ่ยอาพวกไหมพรมะที่ถักไหมพรมะหรือเชือกเล่นว่าวนะ คลี่ไปแล้วมันก็สุดมันเองแหละเพราะฉะนั้นจะดีจะชั่วจะเล็วจะตกจะตำจะเป็นสัตว์นรกเป็นพรหมในที่สุดบรรลุเมือนกันหมดนะเขาถือลัฐที่แบบนี้ดูก่อนสารีบุตรสังสารวัตรการท่องเที่ยวไปในวัฏฏะที่เราไม่เคยท่องเที่ยวไปโดยการยืดยาวนานช้านี้เว้นไว้แต่เทวโลกชั้นสุดท่าวาสเป็นสิ่งที่หามไม่ได้ง่ายนักดูก่อนสารีบุตรถ้าหากว่าเราพึงท่องเที่ยวไปในเทวโลกชั้นสุดท่าวาสเราก็ไม่พึง มาสู่โลกนี้อีกพว์บอกไม่เคยไปแต่สุดท่าว่าที่เหลือไปเนี่ยหมดแล้วไอ้ที่ไม่ไปนี่มันหายากถ้าได้ดีเพราะไปอย่างนั้นไปก็ได้ดีไปแล้วนะมันถ้าได้ดีเพราะเวียนตายเวียนเกิดเราได้ดีไปนานกันแล้วใช่ไหมเพราะท่องเที่ยวมาตลอดยาวนานเนี่ยนะอย่างบางท่านเล่าบอกไปมาแล้วทั่วโลกถ้าจะได้ดีเพราะไปทั่วโลกมันก็ได้ดีไปแล้วอ่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่หรอกโฆโฆไม่ได้เพราะว่าไอ้ไม่ได้คือความหมดจดเนี่ยนะความบริสุทธิ์ไม่ใช่เวียนตายเวียนเกิดในที่สุดแล้วก็ บริสุทธ์บอกไม่บริสุทธิ์ด้วยมัคแปดถ้าไม่มีมัคแปดเนี่ยอย่าหวังเลยที่จะพ้นจากทุกเนี่ยนะไม่ไม่ใช่หรอกเพราะว่าข้อปฏิบัติคืออาริยมัคอันประกอบไปด้วยองแปดเท่านั้นแหละที่จะนําออกจากทุกขอันนี้อันนี้อีกแก้ชําระละทัทธิอีกลทัทธิหนึ่งไปนี้มาขึ้นลทัทธิใหม่แก้อีกลทัทธิหนึ่งลทัทธิพวกนี้นะเป็นลทัทธิที่สุนัขข่าริชวีนับถือหมดเลยเนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยความที่เขานับถือลัทธิเหล่านี้แหละเขาจึงปัตกล้าปฏิเสธพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเขาจึงกล้าด่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นน่าสงสารที่สุดเลยนะโชคมีบุญจริงๆนะพวกเราที่ไม่ได้คิดแบบลัทธ์แบบสุนัขขัตตลิชวีเนี่ยนะไม่ได้ไปเป็นเกิดมาเป็นลูกเป็นหลานของสุนัขขัตะที่มีทัดลทิฏฐิทฤษฎีเดินตามร่องรอยของสุนัขขัตต์ลิชวีก็ขออนุโมทนาด้วยนะที่ไม่เป็นอย่างนั้นแต่ใครเป็นแบบนั้นก็ขอแสดงความการุณาด้วยนะ ข้อ188ดูก่อนสารีบุตรมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีว่าถ้าลัทธิทิฏฐิอย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์ย่อมมีได้ด้วยอุบัติเดี๋ยวเราเกิดไปเรื่อยๆก็บรรลุเองแหละอุบัติแล้วว่าการเกิดเดี๋ยวเกิดไปเรื่อยจากคันคนนี้สู่คันคนนู้นเกิดในคันมัง่งเกิดในธท่าใครมั่งผุดเกิดโผล่นู่นโผล่นี่โผล่ไปโผล่มาก็บรรลุเองแหละอ่างเงี้ยนอะพัวนี้ถือการผุดโผล่แล้วบรรลุอนะถือการเกิดขึ้นแล้วบรรลุ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 เพราะฉะนั้นพระองค์บอกตรวจดูแล้วมันหายากที่ไม่เคยเป็นหายากจริงๆที่ไม่เคยเกิดมานั่นดูก่อนสารีบทเพราะถ้าหากว่าเราพึงอุบัติในเทวโลกชั้นสุดทาวาสเราก็ไม่ได้พึงมากลับมาปฏิสนธิในโลกนี้อีกอันนี้แก้อีกลมหนึ่งทีนี้แก้รับที่ใหม่ลับที่ที่ถือความบริสุทธิ์ด้วยที่อยู่ต้องหาที่อยู่ที่อยู่หมายว่าไม่ใช่บ้านเรือนนะหมายว่าไปอยู่ณที่ใดที่หนึ่งแล้วจะบริสุทธิ์เอง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 เขาไปนั่งอะไรหนีแน่นะมันก็เนี่ยที่บรรลุไม่ได้บรรลุเพราะที่อยู่ที่นั่งเป็นต้นบรรลุที่ไหนด้วยมรรคแปดเนี่ยนะเพราะสาระสำคัญอ่ะคือจริงๆทั้งหมดเนี่ยพระองค์ต้องการจะบอกว่าข้อปฏิบัติทางสายเดียวที่จะทําให้บรรลุคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเท่านั้นแหละคือปัญญาเหล่านั้นนั่นแหละที่จะนำออกกับตัวไอ้อย่างอื่นมันไม่บรรลุจริงหรอกเพราะพระองค์เคยไปลองมาหมดแล้วลองเวียนว่ายตายเกิดมาช้านานแล้วก็ไม่บรรลุ ลองเที่ยวไปตั้งหมดแล้วก็ไม่บรรลุลองเกิดมาตั้งหลายที่เว้นสุดท่าว่าก็เกิดมาแล้วอยู่มาแล้วทุกแห่งก็ไม่ได้บรรลุเอา้าถนะ้บูชายัญนะอันนับูชายันบูชาเส้นสวงข่าคนเป็นข่าคนบูชายันข้าเพะข่าแกะข่าไก่เป็นต้นเนี่ยนะจะเอาต้นไมใ้ใบหญ้ามาบูชาบูชาผ้าเพลิงอะนนะบูชาด้วยไฟด้วย น, น้ำด้วยดินด้วยอะไรทุกอย่างเฮอะฟงทำมาหมดแล้วเรียกว่าบูชายัน คือบางพวกเนี่ยนะเขามีสมณพราหม์พวกหนึ่งมีวาทะละทัทธิทิฐิอย่างนี้ว่าความหมดจดย่อมมีได้ด้วยการบูชายัญคเอว่าบนบานสารกล่าวเส้นสวงเนี่ยเ้าทำพิธีเส้นสวงแล้วก็จะบริสุทธ์เช่นบูชาไฟเป็นต้นดูกนสารีบทก็ยันที่เราไม่เคยบูชาแล้วโดยการยืดยาวชานานนี้เป็นของหาไม่ได้ง่ายนะ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 บอกว่าไปก่อนสามแขกดินนี่อะไรปฐวีลมอ่าวายุไฟอ่ะัคนีน้ำป้านี่น้ำอะไรคำว่างี้ได้ยู่คงเนี้ยมันเทียนๆหรอกจำได้ในข้อหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบอกว่าดูก่อนสารีบทมีสมณพราหมวกหนึ่งมีวาทะละั ท, ท, ทิทิิอย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์ย่อมมีได้ด้วยการบำเรอไฟรับใช้ปรนิบัติไฟเอาใจไฟไว้เลย ถึงให้ฟื้นไปเท่าไหร่ไฟก็ไม่พอนะดูก่อนสารีบุตรก็เราอก็ไฟที่เราไม่เคยบำเรอแล้วโดยการยืดยาวชาตินานนี้เป็นของหาไม่ได้ง่ายนากักแต่ไฟนั้นเนี่ยนะชาติที่เป็นกษัตริย์หรือเป็นพราะมณ์ผู้ยิ่งใหญ่บูชาเนี่ยนะเรียกว่าบำเรอไฟรับใช้ไฟบูชาไฟเนี่ยเอาใจไฟมาทุกอย่างแล้วแต่ก็ไม่ได้บรรลุพระไฟอะไรหรอกสรุปว่าแก้รัฐที่ไปเยอะเลยใช่ไหม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 คือมีอายุ80ปี90ปี100ปีโดยชาติเกิดมานานเนี่ยนะก็เสื่อมจากปัญญาความเฉลียวฉลาดในภายหลังตอนหนุ่มฉลาดมากตอนแกเลยไม่ฉลาดเลยตอนแกก็แปลว่าโง่ลงเขาเขาเชื่อกันแบบนี้อ่ะนะหมายว่าแกแล้วมันโง่ว่างั้นเถอะดูก่อนสารีบทข้อนี้เธอไม่เพิ่งเห็นอย่างนั้นอย่าไปเชื่อนะอย่าไปเห็นตามเลยแนละอย่าไปคล้อยตาม